จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจฝ่าธรรมทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติพบกันเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนําเสนอธรรมะอันเป็นสาระในการดําเนินชีวิตแต่ท่านสาธุชนเป็นประจำส่วนวิทยากรประจํารายการของเรานั้นก็มีประเดศพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรประจํานอกจากนั้นก็ยังมีพระเถราจารย์นะเป็นวิทยากรเสริมเข้ามาทำให้รายการของเรามีสีสันขึ้นมาอีกซึ่งวันนี้ก็จะข อ, อนำท่านผู้ฟังเข้ามาศึกษาธรรมะในส่วนของผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นอุบาสิกาผู้เลิศในฝ่าย บำรุงหรืออุปทาในพระพุทธศาสนานี้แต่ก่อนที่จะติดตามรับฟังนั้นวันนี้วิทยกรประจารายการของเราก็คือพระอาจารย์มหาหมนตรีขันติสาโ ร, ปรเปรียนธรรม9้าวประโยคก่อนทีส่สาธุชนจะรับฟังอัตมาก็ขอนำประวัติของพระอาจารย์มาฝากท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งพระอาจารย์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่สธันวาคม พุทธศักราช2478นณตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมและมีโอกาสได้เข้ามาบรประชาอุปสมบทณพัทธสีมาวัดเกาะแรดตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมเมื่อวันศุกร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2508โดยมีพระครูสุวัติธรรมประพาส วัดลำพญาเป็นพระอุปชาสำหรับการศึกษานั้นพระอาจารย์สอบได้ปรรียนธรรม9้าประโยคนณสำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช 2,518 สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาคุรุศาสตร์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อปี 2,519 สำเร็จ ปริญญาโทสาขาวรรณคดีอังกฤษจาก ว, วิทยาลัย b h เประเทศอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2524สำหรับการงานทางด้านคณะสงฆ์ของพระจานทร์นั้นเมื่อปี2514เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงและปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนบาลีประโยคปท .4 ถึงประโยคปท .8 ปณสำนักเรียนวัดปากน้ำผาษีเจริญกรุงเทพมหานครและเป็นอาจารย์พิเศษสอนบาลีประโยคปทหและปทหณสำนักศาสนศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนี่คือประวัติโดยสังเขปของวิทยากรประจำรายการของเราวันนี้ที่จะมาให้ธรรมะ แก่ท่านสาธุชนในเรื่องยอดหญิงในพระพุทธศาสนาส่วนเนื้อหาของธรรมะจะเป็นเช่นไรนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังมาตั้งใจสดับรับฟังพร้อมกันขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้บริยายทำเรื่อง ยอดหญิงในพระพุทธศาสนาคือวิสาขามหาอุบาสิกาเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเสริมสร้างปัญญาบา ร, รมีของสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพึงทราบ ว, ว่าทานในพระพุทธศาสนามีสองอย่างคืออมิสตทานหรือวัตถุทานประการหนึ่งธรรมทานประการหนึ่งการบริจาคให้วัตถุสิ่งของทั้งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งของนอกกาย ทั้งที่เป็นสิ่งของที่รักและหวงเห็นมากอย่างเช่นอวัยวะเลือดเนื้อแขนขาดวงตาเป็นอาธิทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของที่รักและหวงเห็นมากที่สุดอย่างเช่นการสละชีวิตทานังกล่าวมาทั้งหมดนี้จัดเป็นอมิสทานหรือวัตถุทานประการหนึง่งส่วนธรรมทานได้แก่การให้สิ่งที่มิใช่วัตถุสิ่งของเป็นการบริจาคให้ในส่วน จ, จิตใจ เป็นต้นว่าการสอนหนังสือการแนะนำการแนะแนวการแสดงธรรมการให้อภัยการแสดงน้ำใจอย่างเช่นการกล่าวคำขอโทษขอบคุณขอบใจรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชักชวนชนร่วมในกิจกรรมการบุญกุศลเหล่านี้ทั้งหมดจัดเป็นธรรมทานประการหนึ่งการให้ทานทั้งสองอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนิสงส์ไว้ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในกินตัสูตรสังยุตติกายสขาตวัตความว่าอนาโธพลาโทโหตีวัตโทโหติวันโธยานโทสุขโธโหตีทีพโธโหติจักกุโธโซจะสัพพะโทโหตีโยตธาติอุปสยังอามตันทะโทจะโซโหตีโยธรรมะมนุสสติบุคคลให้ข้าวน้ำคือให้กาลังกายยา บุคคลให้เสื้อผ้าเท่ากับ ว, ว่าให้ผิวพันธุ์ให้ยานพาหนะตัวท่านจะมีสุขสันค์ให้ประที่เป็นทานย่อมมีตาปราดฝ้าฟางผู้ให้ที่อาศัยชื่อว่าให้ของทุกอย่างผู้สอนทาชี้ทางชื่อว่าให้สิ่งไม่ตายอานิสงส์ดังกล่าวมานี้จะเกิดมีแก่ผู้บริจาคให้ด้วยใจเสียสละตัดความตรณีที่เหนียวในจิตใจของตนออกไปมองเห็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ มีน้ำใจเสียสละอย่างแท้จริงต่างใจเสียสละมองเห็นอำนาจประโยชน์แล้วจึงทำให้เกิดการบริจาคขึ้นอานิสงค์ก็ย่อมมีมากเป็นธรรมดาข้อนี้สมเด็จพระบรมศาสาศาดาตรัสไว้ซึ่งมีพระกฎูุในอังคุตริยกายปัญจากาิบาทความว่ามาตาปทายีละปะเตมนาปังอคติธาตาละปะเตปุณักขังวรัสธาตาวรลาภีจะโหตี เศทท่านตะโทเศตมุเปติท่านังผู้ให้สิ่งชอบใจก็ย่อมได้สิ่งชอบใจสิ่งดีที่ท่านให้ย่อมได้สิ่งดีเช่นนั้นผู้ให้สิ่งดีเลิศได้สิ่งเลิศเช่นเดียวกันให้สิ่งประเสริฐสันก็ย่อมได้สิ่งนั้นแหลถ้ามุ่งถึงเจตนาการบริจาคทานจะสำฤทธิผลแก่ผู้ให้ต้องประกอบด้วยเจตนาบริจาคสามวาระ ดังคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีพระกุฏจอยู่ในอังกุตรนิกาจักนิบาตความว่าปุเพวทานาสุมโนถาทางังกิตตังประซาทะเยทั ต, ตวนาวอัตมโนโหติเอซานยัญญัต ส, สัมปทาก่อนให้จิตใจชื่นบานกำลังให้ทำจิตให้ผ่องใสครั้นให้แล้วชื่นอกจื่นใจในทานที่ให้ไปแล้ว นี่แลเป็นความถึงพร้อมแห่งการบริจาคทานที่ให้ผลสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้บริจาคทานก็ยอมจะได้รับมาในสงฆ์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นที่จะได้รับทานจากการบริจาคของเราไปเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ่ายข้อนี้ได้ในบูราณนับาสิทธิวาสุขโทสุขขัตถานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นย่อมถึงตนอีกประการหนึ่ง ผู้ให้ทานได้ชื่อว่าเป็นผู้มีน้ำใจ อ, อุบอ้อมอารีชื่อเหลือผู้ที่คุนแก่การให้เป็นที่รักค้องประชุมชนทั่วไปไม่ตกกระกรรมลำบากมีมิตรสหายมากมายในที่ทุกสถานแม้จะวายพรานไปแล้วจะมีสุกติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเกิดมาชาติใดจะไม่รู้จักคำว่าไม่มีตลอดชีวิตนอกจากนี้ผู้บริจาคทาน ยังเชื่อว่ผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและจะได้ประสบสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งด้านวตัตถุทานและธรรมทานในการทุกเมื่อในเรื่องนี้อาตมาภาพจะนำเรื่องราวของยอดหญิงในพระพุทธศาสนานามวิสาขามหาอุบาสิกามาเล่าให้เยนโยามสาธุชนต่งางยได้สดับฟังกันเป็นตัวอย่างวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นทีดาของทนัญชัยเศรษฐีอยู่ที่เมืองพัทยะแคว้นอังคอันเป็นแว่นแคว้นเด็กๆอยู่ในความครอบครองของแคว้นมคตที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองต่อมาพระเจ้าปเปเสนทิผู้ปกครองแว่นแคว้นโกศลทูลขอพระเจ้าพิมพิสารขอให้ทนัญชัยเศรษฐีย้ายนิวาสถานไปตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลเมืองสาวถีมากนักคือเมืองสาเกตในแคว้นโกศล วิสาขาเป็นสตรีผู้มีบุญมากเพราะได้โอกาสเพราะได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาบรรุโสดาปฏิผลตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่นเธอเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยเวจากาละยานีผู้มีความงามห้าอย่างคือหนึ่งผมงามคือเมื่อไม่กล้าผมจะยาวลงไปประชายผานุ่ปลายผมงอนช้อนตั้งขึ้นถึงเบื้องบนศีรษะ งามดังแววหางลุกยุง่งนี่คือสตรีผู้มีผมงามสองเนื้องามคือมีเนื้อเหงือกสม่ำเสมอมิดชิดพุ่งฟันได้สนิท ด, ดีมีสีสุกปลังดังผลมะพรับนี่คือสตรีผู้มีเนื้องามสามฟันงามคือมีฟันข้าวสะอาดสม่ำเสมอเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ห่างกันบานสังที่เขาขัดแล้วจะระเบียบไวฉะนั้นนี่คือสตรีผู้มีฟันงาม สีผิวงามปราศจากไฟฝ้าราคีไม่มีด่างพร้อยไม่มีแม้แต้แมลงวันหากเป็นสตรีมีผิวขาวก็งามร้าวดอกกันดิกาถ้าเป็นสตรีผู้มีผิวคล้ำจะมีสีสนิทดังดอกอุบละนันนี่คือสตรีผู้มีผิวงามห้าวัยงามสวยไม่สั่งแม้จะผ่านการคลอดบุตรมาแล้วตั้งสิบครั้ง ก็ยังสาวพริ้งอยู่รู้มิรู้วายนี่คือสตรีผู้มีวัยงามเมื่ออายุได้สิบกปีมีสาขามหาาศิกาต้องแต่งงานกับปุณณวัฒนกุ ม, มารบุตรชายของมิคารเศรษฐีมีเรื่องราวที่ควรจะเล่าไว้ในที่นี้ว่าตอนที่เศรษฐีส่งพวกพรามไปเสาะแสวงหาสาวงามเบญจกัลยาณีตอนที่นั้นฝนกาลังตกหนักทีเดียว สาวบริกวานของวิสาขามาอสิกาห้าร้อยนางต่างพากันวิ่งจาละวันเพราะกลัวเปียกฝนแต่วิสาขามาอสิกาเดินทอดน่องไปตามปกติพวกเขาจึงหาอุบายที่จะเห็นความงามแห่งฟันและคารมของสาวงามผู้นี้จึงถามว่าแม่นางดูช่างไม่ทุกร้อนปล่อยให้ฝนเปียกบอลไปทั้งร่างอย่างนี้เล่า ได้สดับคําพูดของวิสาขาหมาวปรสิกาว่าความจริงนะดิฉันมีพละกกำลังมากกว่าหญิงบริวารพวกนี้เสียอีกเหตุที่ดิฉันไม่รีบวิ่งไปก็ด้วยกริงเกรงว่าดิฉันนะ่ะเป็นที่ดาของตระกูลใหญ่ถ้าไม่รักษาจัร ญ, ญามรยาทปราศจากความเป็นกุลสตรีจะมีความงามแต่ไหนอีกประการหนึ่งดิฉันเปนที่ดาเศรษฐีตะลีตะลานวิ่งไป หากพลัดล้มหลงแขนขาหักพิการไปจะคุ้มค่ากับการที่บิดามันดาสู้ซาเลียงดูธนุธนอมนางแก้วตาแก้วใจดังใดเล่าอันหนึ่งประเภทที่ไม่ควรวิ่งมีสี่ประเภทด้วยกันคือหนึ่งพระราชามหากษัตริย์ทรงเครื่องอลังการเต็มยศวิ่งไปคล้ายสามัรชนหางามไม่สองช้างมงคลประดับอภรรเต็มที่ หากวิ่งรีบไปจะงามยังไรได้สามนักบวชผู้สงบกายวาจาใจงามด้วยจริยวัดหากเผลอสติวิ่งไปย่อมไม่งามอีกทั้งจะถูกชาวบ้านตำหนิตีเตียนเอาว่าเป็นพระเป็นสมณีนะค่าน้องอยู่อีกรือสี่กุลสตรีผู้มีจัญยามารยาทเพียบพร้อมย่อมงดงามเมื่อเดินไปตามกติธรรมดา พรามเหล่านั้นยอมรับความงามพร้อมของวิสาขามาวาสิกาอีกทั้งพาทีไพเราะสนอสดจับใจยิ่งนักจึงประกาศมัน่นกำหนดวันแต่งงานตามเลิกผานาทีแต่งงานแล้วเมื่อถึงวาระที่จะต้องทรงตัวเจ้าสาวไปยังเรือนของว่าทีสามีทนันชัยเศรษฐีก็ต้องกล่าวซ้อนทิดาตามธรมเนียมของลูกผู้ดีมีตระกูลโดยเอาวาสิประการดังนี้ 1. ไฟภายในอย่านําออกได้แก่อย่าเอาเรื่องที่ไม่เหมาะสมในบ้านไปโพนธนานอกบ้าน 2. ไฟภายนอกอย่านําเข้าได้แก่อย่าเอาเรื่องไม่เหมาะสมภายนอกบ้านเข้ามานิ้นท่าภายในบ้าน 3. ควรให้แก่คนที่สมควรให้หมายก็บว่าผู้ใดยืมของไปแล้วใช้คืนควรให้แก่ผู้นั้น 4. ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ไม่สมควรให้ หมายก็ว่าผู้ใดยืมของไปแล้วไม่ใช้คืนไม่ควรให้แก่ผู้นั้นหา้าควรให้ทั้งแก่คนที่สมควรให้และคนที่ไม่สมควรให้หมายความว่าเมื่อญาติมิตรกัดสนมาถึงเรือนชานของตนเราให้สิ่งไรแก่พวกเขาไปแล้วพวกเขาสามารถใช้คืนได้หรือไม่ก็ตามเรากวรให้แก่พวกเขาแท้เพื่อไปการสงเคราะห์ญาติตามหลักพระพุทธศาสนา ที่พระบุริยพระเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดหกควรนั่งให้เป็นสุขคือเห็นพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีกลับจากธุรกิจการงานมาถึงบ้านเราเป็นสีสะพ้ยในบ้านควรลุกรับท่านตามฐานะและโอกาอสอันสมควรไม่ควรนั่งแฉะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอะไรทํานองนั้น 7. ควรบริโภคให้เป็นสุขคือไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวและสามี จะเตรียมแว่ท่านในฐานที่เราเป็นแม่บ้านรู้สูงที่ท่านได้และไม่ได้แล้วตนเองกิงบริโภคในภายหลัง 8. ควรนอนให้เป็นสุขคือไม่ควรขึ้นบนที่นอนก่อนกว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีควรจะทํากิจที่ควรทําให้สําเร็จแล้วจึงขึ้นสู่ที่นอนในภายหลัง 9. ควรบำรเรอไฟหมายก็ว่าพึงอาทรต่อพ่อผัวแม่ผัวและสามีเสมือนหนึ่งว่ากองไฟ และเสมือนหนึ่งว่าพระญานาคราดฉะนั้น 10. ควรนำร้ำประสบการ์เทวดาภายในหมายก็ว่าพึงอาธรต่อพ่อผัวแม่ผัวและสามีเสมือนหนึ่งเทพ ย, ายดาประจาเรือนฉะนั้นวิสาขามาอุปสิกาเป็นสตรีที่น่าสงสารเพราะเข้าไปอยู่ในบ้านที่นับถือศาสนากองพวกชี้เปลยวันหนึ่งพ่อผัวเชื้อเชิญชี้เปลยมารับประทานอาหารที่บ้าน ท่านจึงแจ้งว่าขอให้ลูกสะพ้ยเข้าไปกราบพระอระหันต์เธอดีใจที่จะได้มีโอกาสกราบพระอระหันต์ตามคําพูดของพ่อผัวแต่พอก็ไปถึงบริเวณพิธีกลับไม่พบพระอระหันต์ตามที่ตนตั้งใจจะเข้าไปกราบพบแต่พวกฉี้เปลยจึงตําหนิติเตียนต่อหน้าพ่อผัวว่าพวกที่กล้าเปิดเผยแม้กระทั่งอวัยวัลลภของตนจะเป็นพระอระหันต์ได้อย่างไรกันคําพูดของเธอ ทำให้ผู้ชี้เปลือยชี้หน้าดูดานางว่าจงออกไปอีนางกันละกันนี้แล้วตำหนิติเตียนเศรษฐีจากนั้นก็ลุกขึ้นรีบออกจากเรือนไปเศรษฐีโกรธจัดแต่ทำอะไรนางไม่ได้เพราะนางเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลต่อมาอีกวันหนึ่งเศรษฐีกำลังรับประทานอาหารอยู่วิสาขามาสิกาพร น, นิบัติท่านอยู่ขณะนั้นพระอ า, ารตะกี้นาศพรูปหนึ่งเดินบินบัตมาถึงประตูเรือน เศรษฐีเหลือเผ็นก็แซงหันหลังให้วิสาขามาพสิกาอดทนทนไม่ได้จึงแกล้งพูดประชดว่าโปรโดข้าหน้าเธอเจ้าค่าพ่อผัวคนดีฉันกาลังกินของเกา่าคำพูดนี้แทงแก่ดาเศรษฐีท่านโกรธจัดพลางชี้หน้าดูด่านางแล้วสั่งให้คนใช้ขับไล่นางออกจากบ้านไปเสียใครใไม่อาจทำอะไรนางได้เศรษฐีจึงให้เรียกพรามแปดคน ซึ่งท่านนั้นใช้เศรษฐีบิดาของวิส า, าออการมาวาสิกาส่งมาให้ดูแลลูกสาวพร้อมกับบอกกล่าวให้ลงโทษวิสาขามาวสิกะพวกเขาสอบสวนดูแล้วได้รับคาอธิบายว่านาไม่ได้ตำหนิว่าพ่อผัวกำลังบริโภคอาหารเก่าเน่าบูดเสียแต่ท่านกำลังกินบุญเก่าไม่ตเติมเสริมบุญใหม่เอาไว้เป็นนั้นว่าวิสากามาวาสิกาพ้นผิดในเรื่องนี้ สำนางเงพยบธนาคุณในการให้ทานว่าให้ผลแก่ผู้ให้ผู้ที่ทำให้เกิดมีใจไม่ตรนีโอบเอื้ออารีต่อคนทั่วไปทั้งพบนี้และพบหน้าเศรษฐีทราบซึ้งในคำสอนของศีสภัยถึงกับอนุญาตให้ถวายทานแด่ประสงค์มีพุทธเจ้าเป็นประธานที่บ้านเศรษฐีประสงค์ชั้นเสร็จแล้วก็อนโมธนา เศรษฐีได้สดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจบแล้วกล่าวสรรเสริญคุณหนูประการของศรีสะไฟเป็นการใหญ่วิสาขามาปสิกาบอมเพงกุศลอยู่ในบ้านเขามีคาราเศรษฐีนั้นสมใจปรารถนามีบุตรธิดาลูกสไฟลูกเขยล้านเลนรวมทั้งหมดร้อสิบคนแม้จะเข้าสู่วัยชราก็าหามีผมหงอกบนศีรษะแม้แต่เส้นเดียวไม่ ยังสาวพริง้งราวสาวรุ่นอยู่เป็นนิดพ้นงานสำคัญดิวิสาขามาฟซิกาสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาคือบุพารามหาวิหารประกอบด้วยหนึ่งพันห้องชั้นบนและชั้นล่างอย่างละห้ารอยห้องที่เธอสร้างถวายพระบรมศาสดาใช้เวลาก่อสร้างเก้าเดือนค่าใช้ใจ่ายในการซื้อพื้นที่90สบล้านค่าก่อสร้างวิหาร90สบล้าน เตรียมรั์ไว้ฉลองวิหารอีก90สล้านรวมทั้งหมด270เจ็ดสิบล้านตัวเหตุนี้วิสาขามหาวิสิกาจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นยอดแห่งอุปทายิกาในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้มันในฐาธรรมบทกตกานิกายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับเรื่องราวของยอดหญิงในพระพุทธศาสนาคือวิสาขามหาวิสิกา ผู้เพียรพร้อมด้วยความงามเพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติของกุลสตรีเป็นลูกสาวที่ดีของพ่อแม่เป็นศีสษะภัยที่ดีของบ้านเป็นแบบอย่างแห่งแม่ที่ดีของลูกเป็นผู้เชิดชูสกุลวงผู้บำเพ็ญบุญกุศลมาโดยตลอดจนได้รับยกย่องมาเป็นยอดแห่งอุปถายิกาในพระพุทธศาสนาอัตมาภาพได้แสดงธรรมรยายมาพอสมควรเก็บเวลา นโอกาสนี้ก็ขออำนวยอวยใจใทุกท่านมีความเสมสารสุขันสาปรารถนาสิ่งใดขอให้สมโมโนหมายในสิ่งนั้นทุกประการเทิดขอเจริญพรที่ท่านสาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโ ร, ปรเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคจากวัดปากน้ำผาสีเจริญในเรื่องยอดหญิงในพระพุทธศาสนา เป็นธรรมะอิงปุขาทานิฐานเป็นเรื่องราวของอุบาสิกาในอดีตที่ได้ประพฤติปฏิบัติคุณความดีบำเพ็ญบุญทานการกุศลจนได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในฝ่ายอุปถายิกาในพระพุทธศาสนานี้ก่อนที่จะได้รับการยกย่องอย่างนี้นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลมาแล้วตั้งแต่อดีต นี้เป็นแนวทางในการบำเพ็ญคุณความดีว่าผู้ที่ได้รับยกย่องในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่จะต้องมีภูมิหลังที่ได้ประกอบบำเพ็ญบุญกุศลอย่างยิ่งยวดมาแล้วในอดีตถ้าเราศึกษาประวัติให้ลึกลงไปก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นมหาอุบาสิกาวิสาขาานี้ก็เคยนะได้เห็นอุบาสิกาที่ได้รับยกย่องจากสำนักพระพุทธเจ้าในสมัยพระเจ้า ปทูมุตระนะเสร็จแล้วก็มีความชอบอกชอบใจในการที่อยากจะได้รับยกย่องอย่างอุบาสิกาคนนั้นบ้างก็ได้เริ่มบำเพ็ญบุญกุศลมีการนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ไปฉันไปบำเพ็ญบุญกุศลถึงเจวันนะเสร็จแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาว่าขอด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ขอ ข้าพเจ้าจงได้รับยกย่องเป็นผู้เลิศในฝ่ายาสาวิกาในส่วนของการอุปถากในพระพุทธศาสนาในของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าปทุมุตระก็ได้เล่งขายพระยานเห็นก็เลยพยากรว่ามาวิสาขาอุบาสิกานั้นจะได้เป็นสาวิกาผู้เลิศในส่วนของอุปถา ในพระพุทธเจ้าในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นี้ก็เป็นความเป็นมาของปุคลาทิฏฐานอิงธรรมะนในการสร้างสมคุณความดีที่สารธรรมจากทางรายการวันนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่จะจากกันวันนี้อาตมาขอแจ้งข่าวกิจกรรมการเผยแพร่ธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่สาธุชนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาสัมมาปฏิบัติได้มีการ เจริญภาวนาธรรมอบรมกายวาจาใจโดยการควบคุมพระกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเทระและหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่มีเปิดสอนก็ที่สาลากา ร, ปรเปลี่ยนวัสเกต ร, รา ช, ชวระมหาวิหารเป็นประจําทุกวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์ที่สอง และที่สาของเดือนนั้นก็ที่ศาลาการประเดียนวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพส่วนที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นก็มีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและวันอาทิตย์ปลายเดือนสาธุชนสามารถเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ถ้าอยู่ในระยะช่วงเวลาเข้าพรรษา เฉพาะวันธรรมะสวนะนั้นสาธุชนสามารถมาอยู่ค้างคืนมาปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลได้หนึ่งวันหนึ่งคืนถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่อบรมณนะวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามได้ส่วนการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้รายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นก็ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ช่อง9อสมททุกวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง9นาฬกาเป็นประจำทุกเดือนเป็นรายการธรรมะปฏิบัติและธรรมะบรรยายนำเสนอโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีส่วนทางด้านสื่อ ทางด้านรายการวิทยุนั้นก็มีรายการธรรมะของประเดศประคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณอีกเช่นกันก็คือรายการปารตากถาธรรมที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนตั้งแต่8นาฬิกาถึง8นาฬิกานาทีเป็นประจำทุกเดือนท่านใด สนใจก็สามารถติดตามรับฟังได้และยังมีรายการธรรมสู่สันติที่ออกอากาศเผยแพร่ไปทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า30สถานีทั่วประเทศทุกภาคของประเทศไทยนะก็ออกอากาศระยะเวลา30นาทีเหมือนกับรายการวันนี้นะก็มีออกอากาศอยู่ทั่วประเทศนะในส่วนของรายการธรรมสู่สันติที่วัดหลวงพ่อสด ธรรมกายยามจัดเป็นรายการธรรมะให้ท่านสาธุชนได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเป็นประจำเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อเข้าถึงบรมสุขที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเข้าถึงแล้วก็เข้าถึง บทแห่งความไม่ตายก็คืออมตะตงประทังหรือเมื่อปฏิบัติให้จิตสงบถึงระดับแล้วก็เข้าถึงนิพพานังประมังสุขังอันนี้คือข่าวกิจกรรมการเผยแพร่ธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตามสื่อต่างๆที่สาธุชนสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ดังที่แจ้งมาให้ฟังแล้วสาหรับวันนี้ เวลาของทางรายการธรรมสุสันติก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ก่อนจากกันขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ จิตการงานโดยชอบสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรร์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร